ในยามเช้ารุ่งอรุณของวันใหม่เป็นเยินเวลาที่ดีสำหรับทุกชีวิตจิตใจที่เป็นปกติในหลักเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีเราอย่าปล่อยให้ความคิดที่ตกกังวลรุ่นคิดไปในอดีตในอนาคตเข้ามาครอบงนจิตใจเราอันนั้นทำให้ใจเราเศร้าหมอง ข้าแรกของคิเราควรจะพยายามให้จิตใจที่ปลดลง n g โดยอาศัยสติให้สติเข้าถึงจิตใจเราก่อนใจเราจะสดชื่นสดใสเป็นตะวันเลยแต่ถ้าหากว่าสายตาตอนนี้กำลังคุ่งคิดไปอารมณ์ต่างๆก็ไม่เป็นไรเมื่อมันคิดแล้วก็แล้วไปอย่าไปใส่ใจอย่าไปเทุกข์อย่าไปกังวนลเราก็พยายามที่จะ รู้ให้ทันในความคิดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ยังไงก็สติรู้ไว้ก่อนถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับจิตใจเราเสมอๆ อ, อยู่กับความคิดแล้วก็มีสติสติก็ว่าเรามีผู้รู้อยู่ในจิตใจเราแล้วผู้รู้เนี่ยก็คือบัณฑิตเป็นอย่างงี้บัณฑิต แปลว่าผู้รู้ถ้าใจเรารู้ตัวเรามีผู้รู้อยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีบัณฑิตอยู่ในจิะนะตใจเราแล้วเพียงพอแล้วท่านเจ้เจ้าเนี่ยท่านมีชื่อเด่นว่าพุโทโธพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกปาถ้าเรามีสติมีความมรู้ตัวอยู่กับตัวเรา ถ้าว่าเรามีพระเจ้ามีในจิตใจเราแล้วเราเป็นพุโทโธแล้วเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้แล้วทันผู้อื่นแล้วท้องเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้จากเราไปไหนหรอกท่านจากไปเฉพาะพระวรากายแต่ภาวะของท่านเนี่ยยังมีอยู่สม่ำเสมอในโลกภาวะของท้องเจ้าก็คือผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกฝนจิตใจเราให้จิตเราเนี่ยรู้สึกตัวตื่นรู้เบิกบานตุติยอยู่เสมอเราก็จะได้เข้าเฝ้ารพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจเราเสมอๆใครเขาตามจะมีเทพมีองค์มีอะไรสิ่งสกิตอยู่ในจิตใจนั้นรักษาใจนั้นไ ม, ไม่สําคัญไม่แตกต่าเท่ากับเรา มีผู้รู้คือสติคือความติดตัวที่ในจิตใจเราถ้รามีสติอยู่กับใจเราแล้วเนี่ยถ้าแต่ว่าเรามีพระพเจ้ า, า, าคุ้มครองดูแลใจเราอยู่มีพระพิจิตรคอยช่วยเหลือเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะสร้างสติสร้างความปิดตัวให้มีที่ในจิตใจเราเสมอๆ เ, เราจะปลอด ปลอดัจากอะไรปลอดภัยจากกิเลสมาลทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าถ้ามีสติมีความรู้สึกตัวมีผู้รู้ในจิตใจเราแล้วไอ้ภาวะอย่างเงี้ยภาวะผู้รู้เนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้จิตใจเราเนี่ยตกไปอยู่ในโลกที่ชั่วอย่างน้อยศีลก็บริสุทธิ์ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัว อยู่กับตัวเราเสมอๆแล้วเป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็ทําใจให้เราเป็นปกติบริสุทธิ์ไม่ได้ไปเบียเดเบียนใครไม่แต่ใจเราเองก็ไม่ได้เบียเดเบียนให้เป็นทุกข์เพราะใจเราเป็นปกติแล้วก็ไม่ทําให้ใครต้องเป็นทุกข์เพราะความเป็นปกติของใจเราคือความสุขสบายใครก็จะวุ่นวายสับสนไม่เป็นปกติก็ไม่เป็นไรจะปล่อยให้ความไม่เป็นปกติในชีิตของคนอื่น ทำร้ายความเป็นปกติในชีวิตของใจเราของตัวเราเราจต้องมู้สุดตัวอยู่เสมอตลอดไม่ได้ไปรักขมยไปพาะใจเราตัวเราเราเห็นไหมกายเรากาลังเคลื่อนไหวทำอะไรอยู่กาลังทำกับข้าวกาลังเดินจงกรมกาลังฟังธรรมะเราก็มีการเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วย ให้เรามีสติเลือดรู้ลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบันกายที่เคลื่อนไหวเราเรียกว่าเป็นรูปธรรมก็ได้นี่แหละคือรูปธรรมก็คือเรื่องของรูปจิตที่รู้ก็คือจิตมันไม่ใช่เรากายเคลื่อนไหวใจที่ร be yes, <ten> ู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสติที่รู้เนี่ยอย่าไปปูกอย่าไปตัวว่าเป็นของเรา ถ้าตู่เป็นเรืองร้เมื่อไหร่แล้วก็ผิดธรรมแต่ว่าผิดสีงห์ไม่ น, น่าผิตใจก็ได้สิงใจสิงห์ปรามะเป็นศิงของพระอริยเจ้าซึ่งไม่ตู่ว่ากายใจนี้เป็นของเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยขอยืนขอมาชั่วข่าวเรารู้สึกตัวอยู่ตรงนี้สิงข้อที่สองอธินาทานมันก็ไม่ผิดไม่ผิดทม่น่านจิตใจนะ เราสืบของเสมอๆในการเคลื่อนไหวเราก็ไม่ได้เป็นพรักขโมยของรักของห่วงห้าบของใครแม้แต่ความคิดลึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขในเรื่องการ ก, ารการ็ตามเราก็รู้ไว้ดีเดีย่าเอาเป็นของเราถ้าเราเรื่องของการวามใครตามชอบทางด้านได้ยินได้ฟังได้ดูเป็นของเราเมื่อไหร่ก็เราผิดสินใจล่ะ เป็นในดาน จ, จนิตใปะมาทเราเป็นแก่อับรู้ไปที่ใจเมื่อเวลาเรามีอารมณ์ชอบใจเรารู้สึกตัวเป็นประจำเสม อ, สมอว่าดีกันมีความคิดที่จะพูดอะไรก็ตามย่อมไม่เกิดนไม่ได้พูดโกไม่ได้พูดเหลวไหลแม้แต่คําพูดก็ไม่มีขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเสมาเสมอ สิ่งข้อมุสาก็บ่อยเกิดยันใดก็ตามที่เราอยู่กับการทํางานอยู่กับการเจริญสตินั่นแหละเรามีตัวผู้รู้ไม่ได้มีตัวผู้หลงมีตัวผู้รู้อยู่กับตัวเราเสมอๆตุลาเนี่ยไม่ต้องไปพูดผิดเพราะเราไม่ได้จิ่งเรานั้ น, น, นทําให้จิตก่เราต้องรุ่มหลง ร่มหลงแล้วทําให้สิ่งทังอาทั้งตัวเนี่ยเรามองไปในแง่สีดํำหมดเลยคือไม่มีความตื่นรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวอยู่กับตัวเองเป็นปัจจุบันนั่นแหละผู้รู้เกิดขึ้แล้วเรามีที่พึ่งแล้วไม่ได้ผิดสิ่งข้อไหนเลยอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสิ่ใจเป็นสิลปรมัตด เป็นสีน์เขาเรียกว่าอาริยะกันพสิณสีน์ที่พระ อ, อริยะชอบใจเป็นศีล์ที่น่าประลามัดล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเราจึงนำเอาการปฏิบัติการเจริญพระสิณ น, นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้ให้ได้อย่าไปแบ่งแยกว่าตอนนี้เราปฏิบัติพอออกจากการปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเราองไปทํางานในใจ ให้มันต่อเนี่องกันประยุกต์นําเอาไปใช้ทจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิริมีปัญญาในการทำอะไรจะคิด จ, จะดีจะเคลื่อนไหวด้วยวิธีอะไรก็ตามใหเราพยายามเติมปฏิบัติอยู่เสมอไม่ต้องไปมุ่งหวังอะไรทำถ้าอยู่เราทําได้อย่าไปมุ่งหวังอะไรเราทําตรงไหนได้ก็ตรงเมื่อเราหลงลืมไปแล้วแต่แล้วกันไปเราก็กลับมารู้สึกตัวม เราจงพอใจในสิ่งที่เราทําได้อย่าไปพอใจในสิ่งที่เราทาไม่ได้จงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่เรารู้สึกตัวอยู่การฝันอย่างนี้ยเรามีทุกข์ไหมเรามีอะไรใจเราเนี่ยสบายสบายดีอยูเอ่เอาตรงนี้ไวยก่อนดับทุกข์ตรงนี้ได้แล้วก็ เอาตัวนี้ไปก่อนเป็นปัจจุบันเด้แล้วให้รู้สึกเปื่อยบางครั้งบางท่านเนี่อาจจะมีความเก็บไขได้เป่อยมีโรคทางกายก็าตามก็อย่าไปทำอันนั้นเป็นเรื่องของกายอย่าไปหดยิบท่อแท้ซ่อมมองสาดแค่ตัวเองมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกมันจะเป็นการซ้ําเติมโรคทางกายเราให้มากและจิตใจเราก็ไม่ดี จะไปทําอย่างนั้นทําไมเมื่อร่างกายมันเจ็บไข้ได้ปัวไปแล้วก็เรื่องของกายเราก็แค่ขายไปเราทําใจให้ดีเข้าไว้เมื่อใจดีแล้วเนี่ยโรคทางกายมันก็จะพทกเราเบาบางลงไปเองถ้าตราบใดใจของเรายัางอึดจิตน่องหมองพุ่นวาอยู่แล้วนาะกายก็ไม่ดีไปโรคก็จะกําเริบมากเลยทำใจให้สบายใหก่อน มันทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจไว้ก่อนท่านบุภัพอย่าไปเป็นตุกใจเราเลือกได้โรคทางกายเราเลือกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เลือกทางใจเอาไว้ก่อนแก้ไขาทางใจแล้ก่อนบาทีเราแก้ไขใจเราได้แล้วไงบางทีากายไม่ต้องแก้ไขเลยนะถ้าเป็นการปล่อยวางไปในตัวเมื่อใจดีแล้วกิเลกก็ไม่ครอบครับคนเราเพอกายเราเป็นโรคภายแค่เจ็บแล้วก็ ใจมกกักจะทุ้บไปด้วยเท่ากับเป็นการซ้ําเติมใจเราเองไม่ต้องไปทําอย่างไงไม่ต้องไปทําอย่างไงเอาชนะร่างกายไม่ได้ไม่เป็นไรเอาชนะใจเราได้เอาชนะใจเราได้เมื่อไหร่ก็เท่ากับเป็นการเอาชนะตัวเองอย่างที่สุภาติที่พระอาจารย์สุพศักกล่าวไว้ที่คุณสิรินาถอ่านไม่เมื่อต้นรายการเนี่ยช่วยได้ เพื่อได้ไเลที่อาจฉริยะใจตนเองถ้าบอาว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งวันข้างหน้าเนี่ยเราควรจะประพฤติปฏิบททัติธรรมการรู้สติอยู่กับตัวเราอยู่เสมอๆในปัจจุบันอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆแม้ว่าเรายัางไม่เห็นผลในปัจจุบันคื อ, อยังไม่บรรลุพระสูตรพิพานหรือดับเพลิงดีเด็กกองทุกข์ได้ในปัจจุบันก็ไม่เป็นไร ทำไปเรื่อยๆโอกาสข้างหน้าวันข้างหน้าเนี่ยเรายังมีโอกาสเรายังมีโอกาสอยู่อย่าท้อแท้อย่าทิ้งวังนะอย่าทิ้งวันเพราะว่าชีวิตของท่านผู้ฟังเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็ออยังเป็นครารือหัดคารวะต้องมีภารกิจหน้าที่มากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติทำไปกับการทำหน้าที่ไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยการคลองชีวิตการคลองเตียน ก็ยังมีความผาสุกสงบเย็นอยู่บ้างใช่ไหมครับเรายังมีความผาสุกสงบเย็นอยู่บ้างกับการปฏิบัติธรรมบางทีอาการภายนอกาการที่เราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสมมุติเนี่ยอาจจะวุ่นว่ายอยู่บ้างแต่ว่าใจเรานี่ก็ยังมีการสงบเย็นได้บ้างเหมือนกันความทุกที่อยู่อยู่ก็ย่อนจะลดน้อยลงไปปัญหาก็ลดลงไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น เราฝึกฝปฏิบัติอย่างอยู่เสมอๆโดยการมีปฏิอยู่เสมอเสมอการปฏิบัติธรรมเราทําได้ทําได้กับทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่คือจิตวิถีธรรมะแล้วเป็นอาการิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดกา ร, การและผลการปฏิบัตินั้นก็ยออ่อมเกิดมีขึ้นได้กับสัมมาปฏิบัติที่เราทําคือเพรฉะนั้นให ท่านมั่นใจได้มั่นใจได้ในการปฏิบัติธรามั่นใจในเรื่องการดับทุกมั่นใจในวิธีการดับทุกและก็มั่นใจในทุกเรื่องาว่วาทำให้มีขึ้นในใจเราได้กินภาวะของผูร้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งมีอยู่แล้วในใจิตใจ